ส0สรูปสัมมาเณนหนึ่งรูปพระลงมาฉัน24รูปงดฉันเจดรูปที่ไม่ลงมาฉันก็ภาวนาของท่านนะในวัดของเราทายะวาไปแล้วเป็นสถานที่เหมาะมากมันที่กว้างขวางทั้งพันกว่าไร่ถ้าใครอยากจะภาวนาอยากจะเร่งความภาคเพียน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 เลือกผู้แทนราชดอ น, นวันนี้นะรัฐบาลเขาให้เลือกผู้แทนราชดอนแต่บ้านเมืองคราวนี้ครั้งนี้เลือกการขราวนี้รู้สึกว่าไม่ปกติเท่าไหร่ที่หลวงพ่ออยู่วงนอกอยู่ในป่าดงพงไพนะได้ยินข่าวรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันเท่าที่ควร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 ว่าข้าเนี่เป็นยังไงที่เขาตำหนินั่นน่ะมันเป็นอย่างที่เขาตำหนินหรือไม่ถ้าเขามันเป็นอย่างที่เขาตำห น, นิเราก็ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าดันทุกลังใช้ทิฏฐิมานะใช้พักใช้พวกมันก็ไม่ถูกมันต้องใช้เหตุผลใช้ความถูกต้องใช้ความเป็นธรรมเห็นว่าคนมาก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 เพราะพวก500ร้อยนี่นแหละเป็นผู้เป็นธรรมแต่แกเอาเงินมาเอามาให้เขาเออนี่นแหละอันนี้นนคือเราก็ต้องคิดว่าโจรห้าร้อยเนี่ยทถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่ได้ตำหนิใครเราตำหนิที่า่าความเป็นธรรมและความถูกต้องความมีเหตุมีผลความเป็นธรรมอยู่นัดที่ใดไม่ว่าคนมากไม่ว่าคนน้อยไม่ว่ากลุ่มไหนถ้าคนมีธรรม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 ท่านไม่ว่าเลยครึ่งนลไม่ชอว่งห้าร้อยสองร้อยห้าสองค์สองอยห้องค์นี่เห็นด้วยแต่ว่าตกไปไม่ใช่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นล่ะพระห0าร้อยองค์เดียวเท่านั้นคัดค้านข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยในสงสี่ร้องค์นี่ที่ลงปติกันเมื่อกี้นี่แต่นี้พระสงฆ์ทางหลายก็หยุดล่ะ แปลว่าสังฆ ก, กรรมทำไม่ได้ละเพราะว่าองค์นี้คัดค้านองค์เดียวคัดค้านแต่ด้สงทั้งห้าร้ยก็เรียกองค์นี้เข้ามาเอามาชี้แจงที่ท่านไม่เห็นด้วยเนะี่ยมีอะไรท่านที่เห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยนะมีอะไรที่ท่ า, ทานจึงไม่เห็นด้วยชี้แจงถ้าองค์นี้ชี้แจงงูปลาไม่มีเหตุไม่มีผล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 พระพระไตรเจ้าขี่ม้านายชนะเกาะหลังม้าไปถึงแม่น้ํามโนมานึ่งทีพอบวชพระพ อ, องค์ทรงผนวดที่แม่น้ําเสร็จแล้วก็ฮะเอาชนะเอาม้าเอาเครื่องประดับของเรากลับไปแจ้งให้พระบิดาพระประยุรญาตได้รับทราบวันเราทรงผนวดแล้วไปกลับไปชนะจันน่าก็เป็นลูกน้องนี่ อืดอาดอ่อแอไม่ได้เพราะเจ้านายสั่งพอเจ้านายสั่งคำไหนก็คำนั้นนายชนะนก็ได้หอเครื่องประดับแล้วก็ขึ้นขี่ล้างม้าขันตะกะกลับไปทางเก่านะพอขึ้นไปเลยก็มา้าคิดว่าเจ้านายจะขึ้นไปด้วยแต่ที่ไหนได้ไม่แต่ชนะ น, นั่งคนเดียว ม้าทนนนั้นก็ออกไปพอวิ่งไปพอรับสายตาสิท ธ, ธะเจ้าของท่านนั้นแหละม้าก็คิดถึงเจ้าของเอาทำไมมีแต่ฉัน น, น, นั่งอยู่คนเดียวพอม้าแสนรู้นะใช่ไหมอ่ะพอที่โซ่ก็เลยม้าก็เลยระลึกถึงคิดถึงเจ้านายหัวหัวใจแตกทำลายแปลว่ามา้า <c oughs> ตัวนั้นก็เลยตายตายในในตรงนั้นอะ่ะที่รับ ตาพระพุทธเจ้าที่ทับตาสิท ธ, ธัตถะจากนั้นชนะก็คงจะได้แต่เครื่องประดับแล้วประแสงดาบคงจะเดินด้นด้านตามที่ที่ทางมานัน่กับเวียงวังมาแจ้งข่าวว่าสิท ธ, ธัตถะทรงผนวดแล้วที่แม่น้ำมโนมาณาทีในกรุงเขตแขวงกุงรัดสะคือนี่ะกลับมา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 องนี้ได้รับเอตตะคะทางนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอาจิติมหาสาวก80ิรูปเนี่ยที่ได้รับเอตตะคะได้รับความยกย่องจากพระพุท ธ, ธเจ้าแต่นายชนะปอมาทั้งกข บ, บวดปะนายชนะที่นําพระพุท ธ, ธเจ้าไปบวชพอบวชเข้ามาแล้วทีนี่พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งเอตตะคะอะไรแต่นายชนะเนี่ย ไปเห็นใครกันเนี่ยอวดสักดาเลยสิยพระชนะเนี่ยพวกท่านทั้งหลาย อ, อองค์นั้นเป็นข่าเป็นโมกคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากเนี่าเป็นสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเลยรับเอธะจากพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปบวชเน่ยใครเป็นผนพานําไปข้าไปเจ้าเนี่ยชนะนเนี่ยเป็นผู้นําไปเ อ, อชนะอวดสักดาเหมือนกันก น, นก็ดาองค์นั้นดาองค์นี้เหมือนกัน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 เงียบไปไม่พูดแต่พอเพ้อเพอ พ, พ, พูดอกีกด่าเอกพระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้เหมือนกันนะแพ้พาลาชนแพ้คนเก่งเหมือนกันเนถะพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายดูก่อนอานนทนะ์ในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายลงพร ม, มัทันให้พงลงพร ม, มทันกับชั้นหน้านะ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 ยอมคนเก่งเลยจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็เรียกพระช น, นะมาเถอช น, นะพระพุทธองค์สั่งว่าเมื่อเราจะถาคตปริญนิพานแล้วให้ลงพร ม, มทันกับช น, นะบัดนี้พระพุทธองค์ปริญนิพานแล้วคณะสงฆ์พร้อมแล้วจะลงพรมมาทันกับท่านนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงสวดประกาศนะนะสนั่งเป็นเป็นร้อยเป็นพันนั่งสงสวดประกาศเลย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 ให้เป็นอิสระให้อิสระต่อชนะนะพอพูดท่านนะั้นแหะชนะได้ยินเท่นนะั้นแหะหงายหลังผึ่งเลยเป็นลมเลยเอยพอลุกขึ้นมาได้บุกข้าพาเจ้าจะเป็นคนดีข้าพาเจ้าจะยอมต่อสงขอให้สงว่ากล่าวตักเตือนกับข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจะเป็นคนดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เ, เหมือนกับสงทั่วไปสงเลยประกาศอีกทีอ้าวชนะเขายอมแล้ว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 ถ้าเราคิดไม่ดีเราโมโหให้เขาคิดไม่ดีอบางอย่างน้อยกับตาเขียวหรือตาขรมงไม่เป็นมิตรกับใครนะพรตาออกไปทางตาจากนั้นก็คำพูดออกไปต่อจ น, นั้นก็ออกหมัดออกมวยอใช้สตราอาวุธอะไรตัวไหนเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่ดีซะก่อนจากนั้นพูดออกไปกับพูดไม่ดีอีกเด่าคู่ด่าคนอีกอดูถูกเหยียดย้ำเขาอีกสรุปแล้วก็คือคิดไม่ดี เมื่อคิดไม่ดีทำออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีถ้าคิดดีพูดออกไปก็พูดดีทำออกไปก็ทำดีนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสารานิจะทําทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกสารานิจธรรมมีหกอย่างท่านสอนพระน ะ, ะแต่เอาคราวญาเอาไปใช้ก็ได้ไม่เห็นผิดที่ตรงไหน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 เข้าไปตั้งวัจีกรรมคือการพูดแนะนําสั่งสอนองค์นี้ยังไม่มียังไม่รู้ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่ายังไม่รู้ในเรื่องนี้เข้าไปบอกกล่าวเออท่านอย่าทําอย่างนี้นะดูอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราแบบเข้าไปตั้งกายกรรมวัจีกรรมวัจีคือคําพูดเข้าไปตั้งวจีกรรมในคําพูดสอนภิกษุสมมาเนรที่เพื่อนกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 และหมู่เห็นผิดตัวเองก็ต้องไปถามเต้องซักไซไล่เลียงเพราะพูดกันได้เพราะมีกายใจ ก, กรร ม, มนมรรมประกอบด้วยเมตตาแล้วนะและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทมให้แกเพื่อนภิกษุสามนเณนรอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอันนี้ถ้าหากว่าคนเราที่อยู่ด้วยกันมีอติเลกลาบมาหรือว่ามีสิ่งของเขามา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 มันอยู่ที่ใจของเราออกจากใจของเราคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละคนที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วมันมีอยู่ที่ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกั น, นะว่าใครเป็นคนคิดดีคิดชั่วถ้าจะเอาพิภากษาเหตการมาตัดสินก่อเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่รู้ว่าใครคิดเท่าไร่ต่อเท่าไหร่มันก็ยากอย่างกันนะพี่น้องศรัทธาญยันโยมลูกหลานนะถ้าหลวงพ่อพูดไปก็ยิ่งไกลไปเรื่อย บ้านเมืองน่ยพราะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นของพวกเราทุกคนถ้าบ้านเมืองเดือดร้อนน่ยพระสงฆ์จงหอเลาะแฮ่แห่แห่แหยก็ไม่ได้สิพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันนั่นแนหะจะทํำยังไงจะจะช่วยยังไงให้ประเทศชาติล่มเย็นเป็นสุกได้มีแต่ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นแนหะแต่เราจะเข้าไปชกไปต่อยไปตีกับเขาเท่านั้นนะอา้าวจะไหวยังไงลูกหลาน จังยงยยังไงให้มีเมตตาต่อกันนะลูกหลานเนอศรัทธา ญ, ญาโจมทุกหมู่ทุกเหล่านนะให้มีสัมมาทิฏฐิเนอะลูกหลานเนอะใครผิดใครถูกรู้กแก่จิตรู้กแก่ใจของเราใครก็รู้นะศึกษามาขนาดนี้ปริญญาตรีโทเอกขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกนะถ้าใครรู้ว่าผิดถูกยังไงให้ถอยถอยกลับมาซะอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกนะเราก็มีแต่ แนะนำบอกกล่าวหรือตังจิตอธิษฐานเท่านั้นแ่ละลูกหลานเยเอาต่อไปตอนที่ไปพระสูงอนุโมทนาให้พรนะที น, นะ